ก็ให้มีสติรู้อยู่ให้มีสติรูไ้ไม่ไม่ต้องกลับมาทำใหม่หรือว่ามาหายใจใหม่มาตั้งความเพียรใหม่อะไรอย่างี้ไม่ใช่เมื่อมันมีเมือม่อ ม, ม, มันไม่มีลมแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูลมอีก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 กำกับอยู่ที่ใจหรือที่ที่ตรงที่เรากำหนดรูรูเอรูลมนั่นแหละให้มีสติอยู่ตรงนั้นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงสงบลงเป็นหนึ่งขึ้นมาในใจอีก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 แนะนำพัฒนสอนให้เข้าใจในเรื่องการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติรู้อยู่ใจเราก็เป็นสมาธิไม่ได้ลองขอไม่ได้บอกว่าใจยังเป็นสมาธิเถิด อ, อะไรหรอกไม่ต้องขอไม่ต้องบอกปาป น, นั้นก็ได้ แต่เราทําให้มันถูกแล้วมันก็เป็นข้ามันไปเองเมื่อทําให้ถูกแล้วก็เป็นถ้าทําไม่ถูกก็สงสยยัยงั้นแหละนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นโซดาไหมอันนี้เป็นชาดสีไหมอันนี้เป็นอภิน ญ, ญาหรื อ, อยังอะไรซะเราขาดแต่จะถามเพราะว่าอะไรเพราะความสงสยัยอันนี้แหละความสงสัยนี่แหละ ทำใจของเราให้ฟู้งซานไม่สงบลงได้ถ้าเนื้อความรังเลสงสัยเมื่อมีความรังเลสงสัยมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าไม่รังเลสงสัยว่านี่ผิดหรือถูกอะไรอย่างนอย่าไปสงสัย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 พอกิจใจของเราเป็นหนึ่งล้เลือดร่มอะไรต่างๆก็เดินสะดวกดีหมดไปหมดมันควบคุมไปได้หมดเมื่อใจมันดีแล้วทุกอย่างก็ดีตามท่านเรามนโนบุพพังขมาธรรมามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มนโเมนเสรษฐามโนมายามีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประมุขประทางใจได้รับความสงบ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 ที่ลมหายใจเข้าออกปั๊บเข้ามาเอาไปหาลมหายใจเข้าออกเลยพอไปหาลมหายใจเข้าออกปั๊บเท่านั้นแหละจิตก็วางวับไปเลยเย็นสบายมีสุกมันมีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไม่ใช่ทําแต่ที่นี่หรือทําแต่อยู่วัดป่าเราให้สศก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 อารมณ์ไม่ขาดข้องไ ม, มอมไม่มัวเมาไม่มืดมิดอารมณ์เด็ดเดี่ยวอารมณ์ห้าวหาันอารมณ์เป็นหนึ่งใช้แทนกันได้ทั้งนั้นเลคือไม่ขี้เกียจทำการทำงานเลยไม่วุ่นวี่วุ่นวายเลยใจสงบเย็นคนอื่นจะว่ายังไงไม่สนใจพูดว่ายุ่บางคำบางคาไม่ต่อก่อนเลยไม่เที่ยงไม่ว่า เราเข้าสู่ความสงบ ข, ของเราใจเราสบายบันนี้ใจเรามีสุขเ อ, อิบอิ่มอยู่ตลอดเวลานั่นนะั้นแหละใจเราเ อ, อิบอิ่มมีสุขอยู่ตลอดเวลามันก็ถูกแล้วไปทําที่ไหนก็ทําได้บันนี้ขอให้ใจมันสงบจะไปปฏิบททัติที่ด้านที่ดีที่โ น, น่นถ้าสามารถทําใจให้สงบได้ก็ถูกต้องแล้วก็สงบได้มันอย่ากมาที่นี่นะ ก็ทำใจให้สงบให้ถูกต้องให้สบายให้เย็นให้ลึกซึ้งมันฝังลึกอยู่ในหัวใจเลยนะคอยดูรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ที่นความสงบมันเย็นปานนี้ตนนัวนี้มันทําให้ใจเราไม่วุ่นวี่วุน่นวายเลยมีปัญหาอะไรเราก็ไม่เป็นทุกข์เลยเราทําได้เราทํเาทเป็ น, นหน้าที่การงานเราก็ทําไป ใจเราก็สงบอยู่มันก็มีความสุขสันองจะหาที่ไหนที่ทำความสุขใจให้กับตนเองท่านแหละไม่ต้องไปอะไรมากหรอกไม่ต้องติดพธิธีการเออป้ายพระเลืออะไรต่างๆนันก็ทำได้ไม่ห้ามแต่ถ้าเราไปทำในการปฏิบัตินี่ถ้าเราทำหลายอย่างเวลาแล้วก็หมดไป อ, อ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 ใจของเราเราก็ทำไปเรื่อยอันนี้เป็นสถานที่ให้ทําฝึกขัดเบื้องต้นส่วนการไปทํางานทําการอารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งนั่นแหละสนามใหญ่แล้วนั่นอารมณ์ที่มากระทบกระเทือนใจนั่นแหละสนามใหญ่เราสามารถทําใจใสงบได้ไหมละ่ะถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ไม่เป็นทุกข์ไหมวุว่นวี่วุ่นวายสบายต่อเวลา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 ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ไม่ใช่ว่าไปเอาลมหายใจเข้าออกนะอันนี้วิธีการทำกิตให้สงบเฉยๆพอกิตสงบแล้วลมหายใจเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ใส่ใจกับลมหายใจเลยเอาแต่ความสงบนันไว้เอาแต่ผู้รู้นันไว้ผู้รู้ที่เรารู้ใจเรารู้อย่างเดียวไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรไม่ฟุ้งซ่านลคาคังในเรื่องใด น, ใ น, ใ น, นะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใจเราก็สบาย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 เราหาดยุนนี้ไม่มีใครรบกวนเลยแม้กระทั่งเปิดแอร์ก็กลัวเสียงจะดังรบกวนอหรือเปิดพัดลมก็กลัวจะฝุ่นฟุ้งมีแต่ค่อยรักษาน้ําใจทุกอย่างของผู้มาปฏิบัติไม่ให้กระทบกระเทือนเลยแม้แต่น้อยน้ําก็ไม่ให้เข็นเองอะไรก็ไม่ให้ทําเองเลยเรามีหน้าที่รับหน้ารับฝึกสมาธิอย่างเดียว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 เขาปล่อยวางได้หมดแล้วจะไม่มีโกรธมีโลภมีหลงในหัวใจนั่นนะไม่มีโกรธโกรธก็ไม่มีราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีนั่นไม่มีทุกอย่าง แต่เวลาออกไปสู่ภายนอกเลยเป็นไงบาานี้เวลาออกไปสู่ภายนอกโอ้โหมันไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนสนามฝึก น, นี่นะีมันเป็นที่จะเข้าไปในตะลุมบอลกันแล้วทำเป็นลบกับตะลุมบอเลเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยิงอยู่มันเข้าประชิด ต, ตัวกันเลยนั่นเราจะสู้เขาได้ไหมล่ะ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 อย่างนี้แหละเราบารรลุพระ น, นิพพานแล้วเราไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงเราถึงพระ น, นิพพานแล้วคนที่จะถึงพระนิพพานได้เป็นคนประเภทไหนก็เป็นคนที่ไม่มีโลคโกรธหลงนั่นเองไม่มีฆาลาฆาโทสาโ ม, มหานั่นเองไม่มีกิเลสนั่นเองรายละเอียดต่างๆที่เป็นธรรมะอัจฉ ร, ริะก็เตรียมไว้ให้แล้วผู้ที่ทา สร้างบูทสร้างอะไรก็เป็นของสำรวยให้เล่มไปคนละชุดแหละนั่นอะอ่านดูในนั้นนักบาทท่านทำไว้พุทธศาติ์อย่าโยมจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักคมคำสอนทางศาสนาอย่างดีเลยถ้าอ่านจบในนั้นแล้วไม่เป็นสมาธิที่คนนั้นก็เรียกว่าห่างไกลพระนิพานแล้วกิด เพราะนั้นจะหาธรรมะศึกษาที่ตรงๆอย่างนี้มันก็ยากแต่มเป็สนสํารวจในง่ายแต่อย่างที่เราใช้อยู่เพื่อการอบรมนี่ก็พุทธโอษฐ์พุทธวัชณนะอ ร, จจ อ, อริยสัจเจ้าพระโอษฐ์เราฟังมาทุกคืนทุกคืนอันนั้นถือว่าฟังธรรมะหรือฟังคําสอนที่อุที่ยวสอนส่วนที่ฟังอัตมาอธิวายอยู่นี่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 เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์โลกผู้มีดวงตามีทุดีน้อยมีอยู่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะหมดโอกาสก็เสียโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้ว เขาเหล่านั้นก็จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมความจิงนินภาษิสเสียนะเขาก็จะรู้แจ้งคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่เพราะเม่ตาน้อยนะตาใหญ่แล้วนี่แหละตาแล้วนี่แหละแต่ว่าทุลีมันไม่มีในดวงตามันมีน้อยๆพอเทศบอกนิดหน่อยก็เข้าใจเทศบอกนิดหน่อยก็เข้าใจ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 เป็นหนึ่งหรือมีความสบายใจอย่างเต็มที่ในหัวใจของเราทีนี้เราก็นำธรรมะ น, นั้นแหละที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอ น, แ ต, นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอาไปใช้ในประโยชน์เออเอาไปใช้ทาประโยชน์ในบ้านเราไม่ใช่เอาไปแทนฟืนแทนเาตานะาหนังสือธรรมะรมโมน เอาไปอ่านเอาไปศึกษาเอาไปต่อสู้กับสังคมเราอยู่ในสังคมโลกต้องการขัรังใจมากต้องการสมาธิมากต้องการผู้ที่มีธรรมะในใจมากแต่ว่ามันไม่มีปัญหายากทำไมปัญหายากเพราะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้แนะนำขัำํมสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ยังมีอยู่เต็มตู้เหมือนเดิม แต่ทำํำไมคนถึงไม่แตกฉานในธรรมะล่ะก็เพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําพัมสอนถ้าแนะนําพระสอนว่าเราดูเข้าไปในใจของเราใจของเรานี้ทราบซึ่งมีศรัทธาในพระรัตนตรมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์เป็นผู้ที่วางความ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 มันพวกผู้ลานที่มาขายผ้าไหมผ้าอะไระตอนกลางคืนเนเข้าไปทุ่มหนึ่งสองทุ่มทุ่มหนึ่งสิบแปดสิเก้าในกาเข้าไปหาขอเข้าสุขเข้าสารเข้าสุขนั่นแหละเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จุดเอาเขาให้ทำก็ทำไป oney, พอได้อยู่ได้กินไป พอได้ฟังรู้เรื่องนิดๆหน่อยแต่ถ้าเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าชาตินี้เราต้องเอาให้ถึงพระอรหันต์แน่นอนนี่ก็ต้องใจตั้งใจฝึกหัดเต็มที่ฝึกหัดให้เต็มที่ฝึกหัดให้เต็มขนาดคอ้มีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่กับลมตลอด ลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นใจสบายอยู่ตลอดอย่างเนี้ยเราจะหาที่ไหนครูบาอาจารย์จะมาทำมาสอนมาเทศมาแสดงท่านก็แสดงอยู่แต่ให้มารวมพลอย่างนี้มันก็มีน้อยรวมพลมากอยู่แต่ว่าจะสอนธรรมะยังไงอะ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 อย่างวัดเราก็ได้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ห้าของจังหวัดอย่างที่อุดรนอึงเน่เขาก็เรียนครูสมาธิตามแบบของหลวงพ่อวิริยังที่ท่านมีผลหนังสือไว้ สอนตามแบบนั้นอยู่ในเมืองก็มีสองแห่งแต่ว่าของเรานี่สอนอาาปานสติมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งนั่นห้าสองห้าสามห้าสี่เนี่ยอีก ไม่นานก็ห้าห้าเนี่ยห้าห้าไม่ใช่หัวเราะห้าห้านะห้าปีเออห้าปีเนี่ยบางคนคิดจะไปเสี่ยงโชคเลยห้าสีหรือ5้าหกันเนี่ยยาวตัวไหนกันเนี่ย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 ไม่ตายก่อนก็อยู่ไปถ้าหลวงพ่อตายก่อนอนนาจารย์ไห้วุลก็ทำต่อไปอหาคนอื่นช่วย อ, อย่างนั้นก็จะเอาเต็มที่เหมือนกันเพราะเราว่าจะเปิดมหาวิทยาลัยมันมหาวิทยาลัยของเราละนีะ่มหาวิทยาลัยแบบพระป่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยแบบบ้านเดือนหนึ่งอบรมครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสอนครั้งหนึ่ง เลือกได้เลยเลือกมาปฏิบัติได้เลยถ้าสามีอนุญาตแล้วมาเลยอย่าไม่ต้องรีรอหรอกแต่ถ้าสามีไม่อนุญาตอย่ามานะอย่ามาเดี๋ยวมาเ อ, าอะไวยายที่นี่ไม่ได้ยังงั้นนะก่อนที่จะให้เขาอนุญาตมันต้องค่อยพูดค่อยจ่าฉันจะไปปฏิบัตินะขอให้ไปด้วย ถ้าไปด้วยกันสองคนหลวงพ่อว่าจะได้ธรรมะนะก็บอกเขาไงเขาก็จะมาได้บางที่เขาหาเวลาบ้างดีไมด่ดีเขาจัดล็อกจัดคิวให้เราอย่างดีเลยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเราบ่นชู่วเจียจุกจิกอันนั้นนันนี้พอปฏิบัติทำแล้วใจมันสงบป่ะนี่ใจมันไปสวรรค์ น, นี่ผ่านแล้วใจมันสงบเห้วพอไป ถึงบ้า น, ไ ม, นไม่ค่อยบ่นไม่ค่อยว่าไม่ค่อยจูย้จี้จุกจิกเอ๊ะเมียเราทำไมดีแท้เนี่ยทาไมไม่จู้จี้จุกจิกไม่อะไรไม่ทีหลังว่าจะไปปฏิบัติธรรมนี่จัดการให้เลยจะเอาอะไรบ้างเลย เ, เตรียมให้พร้อมเลยนั่นเพราะอะไรเพราะเรารู้วิธีถ้าไม่รู้วิธีนี่ก็โอย จะมาเขาก็ไม่อยากให้มาไม่รู้ว่าจะไปยังไงปา่าวัดปา่าวัดปา่ามันคงเป็นดงเป็นรอนเออมีงูไหมมีจิ้งจกทุกแกมีอะไรไหมมีหนูไหมมีนั่นนี่อ๊ยกูจะเป็นอันตรายไม่ให้ไปหรอกจะไปอยู่ยังไงแต่พอมาอยู่แล้วโอ้โหกุฏิอย่างดีเลยเนี่ยดาวเทียมก็ยังมีกุฏิดาวเทียมเนี่ย ก็ยังมีไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานี่กุฏิไม้กุฏิปูนแต่แถมยังมีกุฏิดาวเทียมอีกด้วยเห็นไหมกุฏิดาวเทียมนั่น่ะเออบางคนก็ไม่ชอบกุฏิไม้กุฏิปูนก็ชอบกุฏิอะไรหระกุฏิอะไรกุฏิดาวเทียมเออขึ้นไปแล้วนอนอยู่คนเดียวโอ้ยกุฏิดาวเทียมนี่เป็นอย่างนี้เอง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 นั่นดิโอยไม่ได้แล้วท้บไปว่ามากมากอะ่ะพีหลังเขาไม่ให้มาเลยชวดโอกาสไปได้เลยนั่นเป็นันเขาไม่ให้มาแล้วพอพอมาแล้วอารมณ์ยึงเสียมากกว่าเก่าออเหมือนเอาเสือมาขังไว้เียพอปล่อยออกจะกินคนเลยวานนี้ไปถึงบ้านโอ้ยเออเอาีเอาไปถึงบ้านแนละ้ว จะกินลูกกินผัวล้วบ้านเนี่ยเออโอ้ยทีหลังเขาไม่ให้มามาปฏิบัติธรรมแบบเสีอปล่อยปล่อยเสียวจากกงนะเออมนันกัดหัวตายเลยอยั่นเะงี้ยเออก็ไม่ให้มาเขาไม่ให้มาแบบนั้นแต่ถ้ากลับไปแล้วเป็นคนดีเป็นคนสงบมากเป็นคนค่อยพูดค่อยจา เป็นคนมีใจเมตตากรุณนานต่อลูกต่อผัวต่อบริษัทบริวารโหทีหลังไม่ต้องขออนุญาตก็ได้โทรบอกอย่างเดียวก็พอมาได้เลยน่นนี่แหละอันนี้บางทีโอ้ยจะมาทีก็แบบอบแอบอัออ้นๆจะพูดอะไรก็กลัวเขาไม่ให้มาเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนเตรียมจะให้มาแล้ว ยังเปลี่ยนคําพูดก็มีนะเออไปสักคุณฉันไม่ไปด้วยหรอกนี่ถ้ามาทั้งคู่ก็เรียกว่าได้พบกันทุกชาติเนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีบริจาคเสมอกันมีปัญญาเสมอกัรนันอยากพบกันทุกชาติชาติไหนทุกชาติเลยได้พบหมด ถ้าเราทำอย่างนั้นได้พบหมดแต่ถ้าผัวขี้เลาไม่ต้องนะไม่ต้องถ้าผัวขี้เลาไม่พบกันฉันน้าไม่ขอพบด้วยละ่ะอย่าไปขอพบอันนั้นเพราะเพราะเป็นคนขี้เมาเอาสามทุ่มสี่ทุ่มก็ไม่กลับพึงบ้านอันนั้นอย่าไปอธิษฐานไปกับเขาเอานันนี้ถ้าถ้าขี้เมานะถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นไรอา่าก็เป็นคนดี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 รับประทานได้อย่างสบายเลยอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นการที่มากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยค่อยกำหนดไปใจเราสงบเย็นใจเราสบายใจเรามีสุขนั่นมันร้อนก็มีหนาวให้ถ้าหนาวมากๆเสียงไอเต็มไปเลยอันนั้นก็ปิ ด, ปดให้ ให้อุ่นขึ้นจะเอาขนาดไหนสถานที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าขนาดนี้ยังไม่เอาอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากอัตมาจะบอกจายมพระบานหรอกว่าจะทำยังไงเออเอาละเนาะเทิดมานานแล้วจบพอดี อีวังก็มีโดยปรกาแล้วเจนี